Book two. 87. 7 i y n them in awesome desert. Adiktar of karya chui. m o d a l n i glagoli upreteklosti ana. We must water the f l o w e m o r ร์ลิ m โมซเรเราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์มัวร์ลิสโมปูสพราวิติสถาน v a n เยเราต้องล้างจาน Mor ร์ลิสโมพอมิติปูโซ o ดคุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่ า, ลลาคุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่ า, ลล า, คาใครต้องการลาจากกัน G ็จะเยี่ยมเราพอสโลวิธีใครต้องการกลับบ้านก่อน G ็เยีมเรบบาสกูดยอดอี d o m อใครต้องนั่งรถไฟ G ็เยี่มเรอาอีส์วลาคมเราไม่อยากอยู่นาน n i สโมฮเทลิอัสต้าทีดโอะเราไม่อยากดื่มอะไรนิ m o มฮเทล i นิชพีทีเราไม่อยากรบกวนคุณ n i ิสโมฮเทลิมูติตีตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ ราโน่สมคติว์โทรฟอนีรัติดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่คติว์สมนารช t ติท็กซีที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้านคติว์สมนามเรชอีทิดโม่ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณมิส s l วสิสซ m มดัสิโฮเทลโปคลิตซาทีดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูลมิส s l วสิสซ m มดัสิโฮเทลโปคลิตซาที i นดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่ามีสเลวซ์มด้วยิโฮเทลนารชิตีพิซซ่า